พระธรรมเทศนาแผ่นที่99าลำดับที่15โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่สกุมภาพันธ์ 2,560 มีชื่อเรื่องว่าเบื B ่อเบื่ออยากอยากวันนี้เป็นวันที่สี่ กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560วันนี้เป็นวันพระขึ้น8ค่ำเดือน3วันพระหน้าเนี่ยเป็นวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าท่านประกาศรัฐธรรมนูญปลกครองส่ง ลวเป็นวันเกิดของพระพุทธศาสนาในการวางกฎระเบียบจึงถือว่าเป็นวันสำคัญวันพระนาเป็นวันเดือนสามเพนเพรนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านคณะจัท h าญาติโยมพระเนรลูกหลานทุกองค์เตรียมพร้อมประกอบคุณงามความดีแต่เราก็ทำทุกวันนั่นแหละ แต่ว่าวันเตือนสามเพนเนี่ยเราจะเอาอะไรทำยังไงโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพระน้อยพระหนุ่มพระลูกหลานควรจะเอาเนชชิชดีไหมไม่นอนตลอดทั้งคืนจะเดินก้มนั่งภาวนาจเจ้าอาริยบทสองเดินกับนั่งเท่านั้นจะไม่นอนเนี่ยอันนี้ก็ให้พวกเราตั้งใจเอาไว้นะ เป็นวันถือว่าเป็นวันสำคัญไม่ใช่ว่าวันไหนก็วันเก่าปุทีทำงานหน้าที่การงานก็เอาทำไปพอในช่วงนี้กำลังซ่อม บ, บ้านแปลงเรือนวัดของเรานะเราเห็นพระที่มาร่วมทำวัดด้วยกัมาไม่พร้อมกันเพราะเหตุใดเพราะู้ทีไปทำการทำงาน ซ่อมบ้านแปลงเรือนอย่างที่ว่านั่นปวดน้ำมันท่วมวัดของเร า, าเมื่อวันที่แปดวันที่เก้าพฤศจิกาพฤศจิกาธันวามกรานะกุมพานะสองเดือนกว่ากว่าแต่คิดว่าไม่นานคงจะเข้ารูปขอรอยคงจะเสร็จแล้วละ่ะอันนี้ก็คือกิจประจำ วัดของเราแต่เมื่อกี้ในตอนหัวค่ำหลวงพ่อก็ไปดูไปดูงานพานลูกหลานทำงานจากนั้นหลวงพ่อก็ไปตระเวนถูวัดเหมือนกันนะไปดูตระเวนทั้งหลังวัดรู้สึกว่าโอ้นกเป็ดน้ำคงจะมาจากชัยบีลงชัยบีเดียมลงสระน้ำโหเป็นพันเลยนะ รู้สึกว่ามากทีเดียวในวัดคลองเราเป็นเป็นวัดป่ามีทั้งสัตว์ป่ามีทั้งนกหลายๆชนิดเป็นที่พักผาอาศัยของสัตว์ส่วนหนึ่งแต่ถึงยังไงพระของเราจะไปดูบ่อยนะทำให้นกมันตื่น ทำให้นกกลัวทำให้จาเป็นรู้ว่ามันมีแล้วก็พอแล้วไม่ใชใช่ไปยืนดูโดเดย์ให้มันบินขึ้นฟ้าหมดทํามันไปลบ ก, กวนมันไม่ดีนะอย่าไปใกล้มันหลวงพ่อเองพอไปดูเห็นแล้วก็หลวงพ่อก็รีบกลับออกมาเหมือนกันนะคือไม่ให้อยากจะให้มันบินเป็นการลบ ก, กวนมันทําห้ธรรมาดามันเห็นคนมันก็กลัวนะ สิ่งไหนที่มันกลัวล้วก็รู้ว่าสัตว์มันกลัวเราเราก็หลบหนีซะมันก็ได้อยู่ตามผาสุขของมันอันนี้ก็คือในช่วงอากาศหนาวเย็นพวกนกทั้งหลายมาทุกปีมาที่มาที่วัดของเรานะแล้วก็ ผู้ที่ไม่ได้ไปช่วยงานช่วยการไม่ได้ใช้ไปทํางานในร่วมสร้างกําแพงหรือสร้างสะพานก็ไม่ได้พระใหม่ทั้งหลายแล้วกุกูบาทั้งหลายก็พยายามภาวนานะพวกเราเนาะผู้ที่ไปทําก็เอ อ, เอไปทําหน้าที่ทำซะ แต่พวกที่ไม่มีหน้าที่ในช่วงที่เขายังไม่เรียกไปช่วยนะถ้าเขาเรียกไปช่วยแล้วเออไปช่วยกันถ้าว่าไม่ท่านหัวหน้าทางไม่ได้เรียกเราไปเราก็ภาวนาหน้าที่ของเราคือภาวนาหน้าที่หลักหน้าที่หลักของเราคือภาวนาชาระจิตใจ ให้บริสุทธิ์ให้หลุดพน้นจากอาชวกิเลสให้รู้แจ้งเห็นจริงตัดกิเลสราคะโทสะออกจากจิตใจอันนีคือหน้าที่ของนักพรตนักบวชที่พวกเราเข้ามาบวชมีจุดประสงค์อย่างนี้นะไม่ใช่จุดประสงค์อย่างอื่นนะลูกหลานนะไม่ได้มุ่งลาบ ม, มุ่งยศมุ่งสรรเสริญไม่ได้ว่าปวดเข้ามาแล้ว จะมีความสุข เ, เลี้ยงร่างกาย อ, อยู่แบบสบายถ้าคิดอย่างนั้นแปลว่าเลี้ยงร่างกายแบบสบายนะเหมือนกับหมูอยู่ในเล้า เ, เลี้ยงไปถึงวันตายไม่มีจุดหมายปลายทางแล้วก็จบเราไม่เราเป็นพระเราไม่ไม่ได้คิดอย่างนั้นเราอยู่ด้วยความระเวงเระวัง อยู่ด้วยความระมัดระวังอยู่ด้วยการเห็นภัยพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าเกิดขึ้นมาแล้วแก่เจ็บตายนะอย่าไปลุ่มหลงห ม, ม, ม, มัวเมานะอย่าไปคิดว่าตัวเองจะอยู่โชกฟ้าดินสลายตายไม่เป็นนะชีวิตของเราอยู่เพียงลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นแหละถ้าหายใจไม่เข้าหายใจไม่ออกแล้วก็ใช้จบชีวิตหนึ่งเพวัะนั้น พวกเราต้องคิดดูจริงไหมในเมื่อจริงแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนอยังไงให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้เป็นผู้มีศีล น, นะสําหรับเป็นพระนะท่านสอนให้เป็นผู้มีศีล น, นะแต่สําหรับฆราวาสญาติโยมท่านสอนให้ทานให้เป็นผู้มีเสียสละเนะ้อเราไปอยู่เป็นฆราวาสญาติโยมต้องเป็นผู้เสียสละต้องมีฐานนะที่การทําทาน คนที่อยู่ด้วยกันถ้ามีฐานะมีการทําทานะอยู่ด้วยกันมากมายก็ร่มเย็นเป็นสุขกันเพราะอะไรเพราะมีฐานะมีการทําทานถ้าคนอยู่ด้วยกันไม่มีการเสียสละต่อกันน่ะโลกทั้งโลกมันแกรนนะมัหนหาความสุขไม่ได้อยู่แต่การแเล่นแค้นอยู่แบบไม่มีน้ําน้ําใจต่อกันเพราะนั้นโลกทั้งโลกอยู่ด้วยกันได้ต้องมี ให้มีเมตตาต่อกันมีน้ำใจต่อกันแล้วก็เป็นผู้มีกฎระเบียบคือศีลคือศีลห้านี่ยนะสำหรับฆราวาสญาติโยมเพียงศีลห้าก็พอแล้วละ่ะทำให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขได้ถ้าต่างคนต่างมีศีลถ้าต่างคนต่างไม่มีศีลแล้วก็ไม่มีทานอีกต่างหากโลกทั้งโลกจะเดือดร้อนวุ่นวาย อันนี้ก็คือสำหรับฆราวาสญาิโจมสำหรับฝ่ายพระสงฆ์เข้ามาเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเข้ามาส่วนในคือเสียสละตัดทั้งโลกแล้วเราไม่ได้มุ่งหวังทางโลกละไม่ได้ทามาค้าขายไม่ได้แ ส, โสวงหาล่ำรวยในปัจจัยสี่เราแ ส, โสวงหาธรรมะความหลุดพ้น อยู่ที่จิตใจอันนี้แหละเราเข้ามาจุดนี้แนละต้องศึกษาเท่านะัอที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนะเป็นแนวทางเท่านั้นนะ่ะเป็นการกระตุ้นเตือนท่า น, นเองแต่พวกเราต้องศึกษ า, เ, าเพราะธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูจะครูบาอาจารย์หรือว่ า, าธรรมเทศนาในพระพุทธในพระไตรปิฎกก็เป็นเงื่อนให้พวกเราได้ศึกษามีต่งเยะยะแล้วก็ผสมผสานกับ ธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็คําพูดของผมที่ผมสอนที่ได้ศึกษามาก็มาแนะนําพระลูกหลานทั้งหลายปฏิบัติตนอย่างนี้อย่างนี้นะวิธีการภาวนาต้องทําอย่างนี้นะไม่รู้กี่เรื่องกี่ราวกี่ออย่างที่ผมเองอสรุปแล้วก็คือมีอะไรถ่ายเทถ่ายทอด ให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังไม่มีคาว่าห่วงห่วงวิ ช, ชาที่ตัวเองได้เรียนมาแล้วไม่พูดไม่กล่าวให้พวกท่านทั้งหลายฟังพร้อมที่จะเปิดให้ฟังทุกประเด็นที่ได้รู้ได้เห็นเพราะนั้นพวกเราเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก่อนฟังเอาไว้จากนั้นนาไปปฏิบัตินะนาไปปฏิบัติเป็นยังไงอย่างที่กลุงพ่อพูดว่า วันสำคัญวันพระอย่างวันมาฆบูชาเราควรจะเล่งความเพียร น, นะอย่างนี้เป็นต้นนะ เ, เราก็ทดลองดูก็ไม่เห็นึงเสียหายที่ตรงไหนเดินจยกกลมดูสิพอเดินจยกกลมนั่งนั่งภาวนาบังคับจิตใจไม่ให้มันคิดออกไปนอกรูกนอกทางเราคิดออกไปมากตัวมากแล้วมันได้อะไรนะมันได้อะไรที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ทำจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนั่งนะเมื่อจิตใจรวมสงบเป็นหนั่งแล้วนะัตถิสันติป ร, รางสุขขังนะความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นเราจะไม่เคยสัมผัสคาว่าความสงบคานี้เนะจรยงไหมจะทำยังไงวิธีจะทำจิตให้สงบนะนี่แหละพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่น ตนตระกูลพระกรรมฐานท่น า, านก็สอนครูบาอาจารย์ก็สอนผมก็นําแนวทางแต่และองค์ละองค์มาแนะนําบอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังนี่แหละไม่มีอะไรที่จิยิ่งไปกว่าสตินะคำว่าเป็นพื้นฐานที่จะทําจิตให้สงบนั่นนะหนีจากสติไม่ได้สติสัมปชัญญนะนสติคือความระลึกได้สัมปะชัญญะคือความรู้ตัว ให้มีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเมื่อระ ล, ลึกขึ้นมาแล้วให้มีความรู้สึกนอยู่ตัวตลอดขณะนี้เราทำอะไรเรานั่งอยู่จะไงเราคิดอะไร แ, แนวความคิดของเราเราคิดอะไรคิดถูกต้องไหมนี่เองไหมจะทำจิตให้สงบไม่ให้มันปรุงฟุ้งออกไปข้างนอกได้ไหมให้มันอยู่กับกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งอยู่กับลมหายใจเข้าออก ไม่ให้มันคิดไปทางอื่นได้ไหมนี่นี้แหะคือสติเมื่อมีสติแล้วก็สัมปะชัญญะคือความรู้ตัวนี่แหละเป็นกุญแจดอกแรกที่จะทําจิตใจให้สงบนะไม่มีอย่างอื่นถ้าเรามีสติสัมปะชัญญะดีแล้วกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ารู้หายใจเข้าหายใจออกรู้หายใจออก มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าในวันที่ท่านได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพนะนี่แหละคือกรรมฐานของพุทธะแท้ๆลเลยพระองค์กำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออก ในเมื่อพระ อ, องค์ได้ตัดรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระ อ, องค์ไปอยู่ในที่สงบสงัดออกมาท่านยังกล่าวกับพระสวงฆ์ว่าพวกเธอท่านทั้งหลายถ้า่าคนทั้งหลายถามพวกเธอว่าพระพุทธเจ้าพระหานตสาวกทั้งหลายท่านอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรอยู่ด้วยกรรมฐานอะไรอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรให้พวกเธอตอบได้เลยนะ เราตถาคตอยู่ด้วยอาณาปานสติกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละคือพระองค์อย่างขณะพระองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วนะอย่างพระอรหันต์ก็เหมือนกันท่านก็อยู่ในสติอยู่ในลมเอาพระองค์ไม่ว่าคําว่าล้วสติปัญญาท่านเป็นมหาสติมหาปัญญาอยู่แล้วแต่ท่านก็ยังอยู่ใน ความรู้สึกนึกคิดอยู่ในลมหายใจเข้าออกเพราะร่างกายมันเป็นอยู่ด้วยลมถ้าลมหมดแปลว่าคนนั้นก็หมดหมดชีพหมดชีวิตเพราะนั้นลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าหายใจออกเป็นเครื่องอยู่ของร่างกายเพราะนั้นพระ อ, องค์พระพุทธเจ้าพระหานตสาวกทั้งหลายท่านจึงอยู่ด้วยวิหารธรรมคือกำหนดลมหายใจเข้าออกนี่แหละ อันนี้คือถึงพระพุทธเจ้าพระราหันต์ตกพระองค์ท่านเหล่านั้นก็ยังยึดลมหายใจเข้าออกเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะ เ, เรากนา็น่าจะเดินตามแนวแถวของพุท ธ, ธะให้กําหนดให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกแต่หลวงปู่มั่นท่านว่าท่านเราจะเอาจากกรรมฐานลมหายใจเข้าออกเฉยเฉยนะ่ะมันลืมมันลืมมันหลง มันเผลอได้ง่ายให้สำทับกับพุทธโธด้วยนะอท่านจึงสอนว่าหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโทอันนี้แหละคื อ, เ, อเราจรึงได้นามว่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่นให้ภาวนาพุทธโธเป็นหลักนะนี่แหละหรือเราจะกําหนดแต่ลมหายใจก็ได้ถ้าไม่ผิดกติกาแต่หลวงปู่มั่นทว่าท่านได้ผลอย่างองหลวงตาก็เหมือนกันเถิด ที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มัน่นแต่ก่อนท่านเคยเรียนปริยัติธรรมจนได้เป็นมหาป ร, ริญญาสามประโยคก่อนหน้านี้ท่านก็ภาวนาลมหายใจเข้าหายใจออกตามแนวแถวของพุทธนะท่านว่ามันเผลอได้ง่ายมันมันสลับไปมันสลับมามันหลงเงื่อนได้ง่ายท่านหลวงปู่มัน่นคือันก็ บ, บอกเออมหาให้ภาวนาพุทธโธนอะกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะออย่าไปเผลออย่าไปปล่อยวางมานะพุทธโทเป็นหลักเลยนะ เ, เวลาก้าวไปขาขวาพุทธขาซ้ายโทเวลานั่งอยู่ลมหายใจเข้าออกพุทหายใจหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเวลาเดินขาขวาพุทธขาซ้ายโทนะยเยวลาปัดกวาดเวียงขวาพุทเวียงซ้ายโทใหนะ้มีสติอยู่ทุกเริยาบทมดนี่แหละ ให้พุทโธอยู่ตลอดทุกอริยาบทนะในหลวงตาท่านก็ปฏิบัติตามพราะปฏิบัติตามเออใชออ่ใจของเราไม่เสื่อมแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านรับรองท่านรู้แก่ใจของท่านเลยว่าจาตั้งแต่บัดนี้ตบเป็นต้นไปเราจะไม่เสื่อมจากสมาธินะแต่ก่อนมันขึ้นไปแล้วมันเสื่อมขึ้นไปแล้วก็เสื่อมแล้วมันหายไปเลยเออแต่บัดนี้ท่าน มีกรรมฐานเป็นเครื่องอยู่คือพทนะุทโธพระท่านขอให้พวกเราทุกๆท่านนะอันนี้ก็คือเป็นแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติได้ผลมาแล้วนะแล้วก็มาบอกกล่าวเล่าให้กับพวกเราทั้งหลายฟังพวกเราจะเอาตรงไหนทํำยังไงต้องยึดตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะนะั่นแหละสิ่งไหนที่มันสิ่งทางโลกโลกนะจะไม่ อ, าาอย่าออกมาเขีเข้ยวเอื้องอย่านำมาพูดย่านำมาปารบให้กันฟังมันเป็นสัญญาอารมณ์พอเราเคยผ่านมาแล้วทางโลกไม่รู้ดีไม่รู้เร็วอะไรต่ออะไรที่อะไรจนได้เสียสละมาถึงจุดนี้ละเข้ามาบวชแปลว่าเราเสียสละทุกอย่างในโลกนะทางโลกแล้ว เ, เราจะมาเข้ามาบวชแปลว่าเราตัดแล้ว ในเมื่อตัดแล้วเราจะเอาทางโลกมาพู ด, ม า, พดมาคุยมาสนทนาไม่ได้นะอันนั้นเป็นวัตริรฉานเดิรชานวิ ช, ชาดิรฉานคําพูดไม่เกิดไม่เกิดประโยชน์มีแตเกิดโทษสําหรับนักพจนักบวชอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นให้พวกเราเพูด ก, กันเรื่องสมาธิเรื่องศีลสมาธิปัญญาที่เราจะได้ศึกษาอยู่นี้นะ แต่เรื่องภาวนาเนี่ยต้องยึดพุทธโทเป็นหลักอันนี้คือวิธีกรรมวิธีการที่จะทาจิตใจให้สงบในเมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วเนี่ยจิตใจเน่งสบายแล้วจะไปอยู่จะไปอยู่เพียงแค่นั้นไม่ได้นะ อ, อย่าไปติดในความสงบไม่ได้ถ้าติดในความสงบแล้วหลงทิศหลงทางอีกเหมือนกันนะเพราะนั้น เมื่อจิตสงบพนันความสงบแล้วนะ่ะอแต่เราจะ่าไปหายคิดนะ่ออยากได้ฤทธิ์อยากได้เดชอยากเห่อเหินเดินฟ้าได้ดำดินบินบนได้อันนั้นก็เป็นคิดแบบแบบโง่อีกต่างหากนะเราไม่ต้องคิดหรอกท่าบินบนได้เหมือนกับนกนะ่ะไยังมีประโยชน์อะไรอดำดินเหมือนใส้เดือนกับปลาไหลเลยมันจะได้ประโยชน์อะไรเราไม่ยังยังไม่ได้ว่าเป็นพรลรหารนะนกนะ พ ร, ร, ร, ร, ระหรันนกพระหารันป่าไหลพระหันใสเดือนเราไม่ได้วา่าเพราะนั้นเราจะไปหาคิดอจะทํายังไงใจของเราจึงจะสงบเมตใจเมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วนะแล้วเราก็นํามาพิจารณาพิจารณาทางด้านปัญญานะพิจารณาร่างกายสังขารพิจารณาเปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบในเปรียบเทียบสัตว์ดิฉานเปรียบเทียบมนุษย์ เปรียบเทียบคนที่เขาตายไปแล้วกระดูกของเขาเป็นยังไงธาตุเขาธาตุขันของเขาเป็นยังไงถ้าเราตายก็คงจะมีญาติพี่น้องมาลุมมาตุ้มเนี่จากนั้นถึงจะรักขนาดไหนเขาก็จงจับยัดเข้าหีบเข้าโรงอจากเขาจะรักขนาดไหนเขายิ่งหาทานใช้มากๆเผาให้มันไหมถ้าเขารักน่ะคนตายแล้วเขารักน่ะ เขาเผาเผาให้ไหม้ที่สุดเมื่อกีนนั่นนี่แหละไม่มีอย่างอื่นเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็เอาเอาไปเข้าหงซุยเ็พยายามทำให้ดีที่สุดให้แข็งแรงที่สุดในหงซุยนั่นเนี่ยอันนี้คือคนรักกันเมื่อตายไปแล้วเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นแล้วเราล่ะ อ, อันนั้นคือเขาที่เราเห็นแต่เราล่ะ ก็คงจะเช่นเดียวกันอพอตายไปแล้วแล้วใจของเรารอะไรกันเนี่ที่จะออกจากร่างนั้นนะเดี๋ยวนี้เรามีคุณธรรมประจำใจของเรามากน้อยแค่ไหนเรามีคุณธรรมในใจของเราเต็มเปี่ยมแล้วหรื อ, อยังถ้ายังไม่เต็มเปี่ยมเราก็พยายามดมูคุณธรรมในใจของเราเนะ่ยังนะนยังขาดูกบกพร่องอยู่นะ เราควรจะทําให้เต็มขึ้นกว่านี้ให้บริบูรณ์ให้จบอในภพนี้ชาตินี้ถ้าเกิดพบหน้าชาติหน้าก็ยังที่ว่าอีกเพิอนกันเกิดมาพบใดชาติใดอกินแล้วก็ถ่ายถ่ายแล้วก็กินกินแล้วก็ถ่ายอถ่ายแล้วก็แฉะแสวงหาทรัพย์อีกออยู่อย่างเนี้ยผลที่สุดกแก่ไปเรื่อยๆผลในสุดแก่แล้วก็บางทีบาง วันก่อนพร้อมที่จะเจ็บจะป่วยพในที่สุดก็ตายในที่สุดไม่มีใครที่จะหลีกหลีหนีพ้นไปได้เรื่องความตายเกิดมาพบหน้าช า, า, ก, า, ก, า ก, ก็เป็นอย่างนั้นเกิดมาเอกก็เป็นอย่างนั้นพราอนั้นมาพิจารณาดูแล้วการเบียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารนี่ยน่าเบื่อทีสรุปแล้วพระพุทธเจ้าท่านว่าน่าเบื่อหน่ า, นายพระตุชนนี่ทําไมไม่เบือ่อ ทําไมมันเบื่อเบื่อหยากหยกัยกยกักหเบือบ่อเบืเบือ่อเบื่อหยกักหยพอมันลาคาญลําคาญกับตัวเองอถ้าว่าอยากจะให้พ้นทุกอยากจะภาวนาให้พ้นทุกใจหนึ่งก็มันก็มีความสุขอยู่นะในการกินการหลับการนอนการพูดการคุยการมีเงินคําทรัพย์สมบัติมันยังมีความสุขอยู่แล้วทีนี้พอจะได้มาเมื่อมันทุกข์เข้ามาเออ อยากจะพ้นทุกข์วะไม่อยากจะมาเกิดะมันก็เลยพอลาคาญลําคาญเนะี่ยแหละจะจะอยากออพออยากอยากอพอทุกข์ อ, อยากอยากพอทุกทุกทุกทุกอยากอยากเบื่อเบื่ออยากอยากสรุปแล้วมันพอลาคาญลําคาลมนะัะคือมันไม่เห็นจริงเห็นจังถ้าเห็นจริงเห็นจังเออเห็นความตายเลยเห็น ความแก่ความเจ็บขันความตายเหมือนเพชฌฆาตอย่างเทวาน่าเหมือนเพชฌฆาตเดินตามหลังเราถ้าเราถือใส่น้าขันน้ำเต็มเต็มเต็มคุณต้องถือขันน้ำนไปนะถ้าขันน้าหกเมื่อไหร่เพชฌฆาตจะตัดคอคุณในเมื่อนั้นถ้าเราเห็น มรณะภัยแล้วว่เห็นทุกเกิดแก่เจ็บตายเหมือนเห็นเพชฌฆาตอย่างนั้นแะที่จะตัดคอเราอยู่นั่นแหละเราก็คงจะสั่งสงคุณงามความดีจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแต่ถ้าเรายังไม่เห็นโทษถึงขนาดนั้นละ่ะโอ้มันยังทะเลทลายอยู่นะใจนี่นะไม่ใช่ธรรมดานะใจดวงนี้ไม่ใช่ธรรมดามันติดพบติดชาติมันติดอยู่ในโลกฟัตตะสงสารนานเท่านาน ไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตัดกับนางปต a จ a ลาท่านว่าปตต j a ราเธอไม่ต้องพูดอย่างอื่ น, นเธอเกิดมาในโลกนี้ร้องห่มร้องให้กับคนที่รักคนที่ Scotland: เป็นที่รักของคุณทั้งพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายที่ล้มหายตายจากไปนะเราได้ร้องห่มร้องให้กับท่านเหล่านั้น เกิดมาชาติหนึ่งก็ร้องให้เกิดมาชาติต่อไปก็ร้องให้เราเกิดมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติทวันน้าตานั้นไม่เหือดไม่แห้งน้ําตานั้นยังอยู่คงเดิมน้ําตาของแต่ละคนมากกว่าน้ํามหาสมุทรเพราพระพุทธเจ้าท่านตัสอางนั้นแสดงว่าคนเราแต่ละคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะ เ, เกิดมาไม่ใช่น้อย น้ำตาคนจะมากเท่าไรไปพิจารณาหลงพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบถึงขนาด น, นั้นถ้าว่าน้าตาไม่แห้งนะลงมาออกมาจดไหนก็หยดนั้นนะไม่แห้งดินฟ้าอากาศแดดไม่เผามันไม่แห้งเลยอยู่อย่างเดิมท่านว่าคนแต่และคนน้านะําตาเท่ามหาสมุทรทั้งสี่ไม่ใช่น้อยที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบ เียบเทียบให้พวกเราเบื่อหน่ายนะถึงจะพูดยังไงไอ้พูดที่มีปัปญญายังหนาแน่นอยู่ปัญญาของเรายังหยาบคลายอยู่ปัญญาของเรายังไม่เห็นไม่รู้แจ้งเห็นจริงยังไม่เห็นโทษอยู่ถึงจะพูดยังไงมันก็มีความสุขอยู่หน้ามันก็ว่าลักษณะอย่างนั้นนะมีความสุขอยู่หน้าแต่ตามที่แท้แล้วนูนนะ่นแล้วจะ เมื่อใจจะขาดเอาเข้าจริงๆนั่นล่นะชักดิ่งชักกอนคิดท้าอะไรก็ไม่ได้คว้าหน้าคว้าหลังพรไนิสู่ก็เลยใจขาดตายไปซะเกิดมาพบหน้าชาหน้าลืมอีกอกิเลสมันพาลืมเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะพูดทางนี้ทางนั้นใครๆว่าเป็นแนวความคิดเป็นการชี้แนวชี้นำในแนวความคิดจริงไหม สรุปแล้วก็คือให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีเอาไว้ถึงจะมีความสุขสนุกสบายก็เถอะอีกสักวันหนึ่งข้างหน้านั้นมหันตภัยคือภัยอันยิ่งใหญ่จะสังหารพวกเราอยู่ไม่ต้องสงสัยมหันตภัยนั่นก็คือความตายนั่นล่อ คอยพวกเราอยู่ไม่ใช่คอยหรอก เ, อเราจะต้องเดินไปหาจุดนั้นแน่ๆทุกคู่ทุกคนทุกรูปทุกนามไม่ต้องสงสัยเพราะพระพทุทธเจ้าท่านเตือนท่านบอกแล้วว่าโลกนี้น่ากลัวนะโลกนี้ไม่น่าไว้ใจโลกนี้ไม่น่าอยู่พอโลกนี้เต็มไปด้วยแก่เจ็บตายจะหาความสุขในการแก่เจ็บตาย ได้อย่างไรนะี่ยวันนั้นวันนี้หลวงพ่อได้กล่าวชี้นาในการเป็นอยู่แล้วก็ให้พวกเราพร้อมกันนะแหมทีรรษาที่จะถึงเนี่ยปีสองพห้าห้าสบสามเนี่ยเราจะวางแผนการเป็นอยู่ของเราอย่างไรเราจะรักษาศินอย่างไรเราจะให้ทานยังไงเราจะภาวนาอย่างไร เราจะประกอบคุณงามความดีอย่างไรจึงจะเป็นผู้ไม่ประมาทให้เตรียมพร้อมเอาไว้จากนั้นก่อนเนี่ยพบคำสอนของพระพุทธเจ้ามีเหตุมีผลทําไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทานทําไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้รักษาศีลทําไมพระพุทธเจ้าสอนให้ภาวนาภาวนานี่คืออะไรให้พิจารณาอะไรสมถะคืออะไรทําจิตให้สงบพิปัจจนาก็คือ การพิจารณาหาเหตุผลไต่ตรองหาเหตุและผล เ, เพราะคนเราเนี่ยนี่แหละมีอะไรบ้างในร่างกายของเราจะจีรังถาบอลไหม อ, อันนี้ก็ให้พวกเรานำมาพิพพนิจวิเคราะห์ดูให้ดีที่พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าให้เราพวกเราใช้สติใช้ปัญญาของเร า, เาวินิตวิเคราะห์ดูให้ดี พวกเราจะรู้เห็นตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างไงล้วนแล้วจะเป็นสวากขาตรธรรมตรัสไว้ถูกต้องมีเหตุมีผลบริสุทธิ์บริบูรณ์เพราะฉะนั้นเราจรึงเชื่อพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้านํามาพิจารณาด้วยเหตุและผลแล้วเรายอมรับในพระธรรมคําสอนเพราะฉะนั้นเราจรึงเลยมาประพฤติปฏิบัติอยู่ในป่าดวงพงไพ่ฐานอาหารมือเดียวนอนคนเดียว แล้วก็ต้องตั้งใจภาวนาปฏิบัติเพราะเราพิจนารณานด้วยจิติด้วยปัญญาของเราแล้วเรายอมรับทุกประกาลนะการพูดกันแนะแดวในวันนี้ก็เห็นว่าสงควรกับการเวลาขอยุติเอาตอนนี้ไปนั่งสมาธินะัที่นี้นะ